หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมา น, นะจะต้องตัดให้ขาดหรือว่าจะต้องลดลงไปด้วยว่าความเข้าใจคนส่วนใจเนี่ยมา น, นะมันแปลว่าความพยายามนะซึ่งเป็นของดีเป็นคุณธรรมที่ควรจะมีมากๆเพราะคนไทยนี่ไม่ค่อยมีความพยายามเท่าไหร่คือความเพียรแต่ที่จริงแล้วมนนานะนี่มันเป็นกิเลสนะ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 แต่คนนี้คนไทยเนี่ยมักจะเอาคำ ว, ว่ามา n ะเนี่ยไปผูกติดกับคําว่าพยายามใช้คําว่ามา n a พยายามคนนี้เขาเป็นคนที่มุมานะเป็นคนมีมา n ะพยายามเราก็เลยไปเข้าใจว่า mana เนี่ยแปลว่าพยายามนะเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งอันนี้มันเป็นเพราะว่าคนไทยเนี่ยเวลาจะกระตุ้นให้คนมีความเพี่ยนพยายามเนี่ยก็จะใช้วิธีกระตุ้นมานะ เช่นพูดทำนองว่าเนี่ยคนหนึ่งเขามีมือมีไม้ทำไมเขทาทำได้แต่เธอทำไมทำไม่ได้คนที่ถูกต่อว่าแบบนี้ก็เกิดการเปรียบเทียบว่าเขทาทำได้เราก็ต้องทำได้สิหรือรู้สึกเสียหน้าขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากเสียหน้าก็ต้องพยายามให้การกระตุ้นให้คนมีความพยายามก็ทำได้หลายแบบนะ เอารางวัลมาล่อนะว่าถ้านักเรียนเรียนดีก็จะได้รางวัลถ้าลูกขยันเรียนนะแม่ก็จะซื้อโทรศัพท์มือถือให้นะอันนี้เรียกว่ากระตุ้นตันหานะใช้ตันหานี่เป็นแรงผลักให้เกิดความพยายามหลายคนขยันทำงานเพราะอยากได้โบนัสนะอันนี้ก็เรียกว่า มีตัณหาเนี่ยนะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดความพยายามอีกวิธีนึ่งก็กระตุ้นมันนะนะทำให้เรารู้สึกว่านะถ้าไม่ขยันนี่ก็จะเสียหน้าเขาก็จะอับอายขายหน้าหลายคนนะนะนะทำความดีนะรักษาศีลก็เพราะว่าอยากให้คนชื่นชมหรือว่าอยากให้คนสรรเสริญอันนี้ก็มารณ น, นะ มานะเนี่ยมันเป็นกิเลสที่อยากจะให้คนชื่นชมสรรเสริญมันเป็นกิเลสที่ทําให้คนเรานี่อยากจะประกาศนะความเก่งความกล้าความสามารถเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยเวลาทําดีหรือว่ามีความสามารถอะไรก็อยากจะประกาศทาง facebook นะ รวมทั้งมีความคิดดีๆอะไรก็อยากจะให้คนเขารับรู้เขาจะได้ชื่นชมว่าเราเก่งเ่เดี๋ยวนี้ Facebook ที่เป็นเครื่องมือของอาณาณะมากเลยน ะ, ะผู้คนใช้ Facebook เป็นเครื่องมือในการสนองนะมาณาณะอยากจะอวดว่าฉันเป็นคนสวยคนมีรันิยมนะอ้าวก็ใช้ Facebook บางทีก็ถ่ายรูปหน้าตัวเอง นะการถ่ายรูปหน้าตัวนี้ก็เรียกเซลฟี่นะเซลฟี่ก็แปลว่าตัวตนหรือว่าตนเองนะมันก็คือการสนองมานะอีกอย่างหนึ่งนะทำความดีก็อยากจะประกาศนะด้วยการอ่าเขียนชื่อนะติดเอาไว้หรือว่าอยากจะให้ทางวัดเขียนชื่อติดนะว่า ตัวเองเนี่ยบริจาคเงินบริจาคสร้างเสาบริจาคสร้างพระนะพอเขียนชื่อลงไปแล้วเราก็ปลืม้มนะไอตัวปลื้มเนี่ยมันก็เป็นเพราะมานะความสําคัญมันหมายความถือตั ว, ถ, ตวถือตนความอยากเด่นอยากดังอาชี่แข่งกันนะแข่งกันนะเพื่อจะได้เป็นที่หนึ่งได้เหรียญทองนะอันนี้ก็ มันเป็นแรงผลักของ m a เหมันกันนะซึ่งบางครั้งนี่มันก็ทำให้เกิดผลตรงข้ามก็คือถ้าไม่รู้สึกเด่นก็รู้สึกด้อยนะคนที่ไม่มีอะไรจะเด่นนะเรียนก็ไม่เก่งติดอันดับท้ายๆความสามารถก็ไม่มีก็รู้สึกว่าตัวเองด้อย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 พวกที่ต้องการประกาศตรวตนด้วยการสร้างความเดือดร้อนกับผู้คนเนี่ยอันนี้มันก็มาน่าเหมือนกันนะเรียกว่าเด่นทางดีแม่แล้วก็เด่นทางชั่วเขาแล้วกันคอยได้เด่นคอยได้ดังเดี๋ยวนี้เราก็เห็นเยอะนะบางคนเนี่ยเพียงเพราะความอยากดังก็ ทำให้ทำชั่วทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้ก็เพราะอิทธิพลของมานณะแล้วคนเราเนี่ยเป็นเพราะมานณะจึงมีความทุกข์นะเมื่อถูกตาหนิติดเตียนนะถูกต่อว่าด่าทอเพราะว่ามันไปกระทบนะกับตัวมานณะมันคำพูดเหล่านั้นมันไปกดนะตัวมาณะนะนะซึ่งถ้าจะเลยกง่ายๆนะก็คือไปกด ไปกระทบอีโก้นะไปกระทบตัวตนมันก็โกรธสิเมื่อใดก็ตามนะที่รู้สึกต้อยขึ้นมามันก็จะมีความทุกข์เกิดความไม่พอใจใครเด่นกว่าใครดีกว่าใครเก่งกว่าเราก็ไม่ชอบเขาเราอิจฉาเขอันนั้นเพราะตัวมานะนะใครสวยกว่านะใครเป็นที่นิยมมีเลตติ้งมากกว่า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 รวมทั้งไล่ล่านะาจำนวนไล่ด้วยนะเดี๋ยวนี้นะคนไม่กดไล่เนะี่ยเราก็ทุกขนะ์แล้วนยจริงๆเนะี่ยไอตัวทุกข์ก็คือตัวม า, น, านะนะเพราะมันอยากจะให้คนกดไล่ให้กับเราเยอะๆนะเดี๋ยวว่าแต่คำตาหนิติดเตียนเลยนะแม้กระทั่งไม่กดไล่เดี๋ยวนี้ก็ทุกข์กันลวเพราะว่ามานะของคนสมัยนี้มันเยอะมากเรียกว่า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 แล้วก็มักจะเขียนให้คนอ่านออกว่าชื่ออะไรนะเพื่ออะไรเพื่อประกาศว่ากูมาเที่ยวที่นี่เว้ยหรือว่าบางทีอาจจะต้องการแสดงว่ามีกูอยู่ในโลกนี้เว้ยไอตัวมานะนี่แหละที่มันทําให้ผู้คนทําอย่างนั้นหรือว่าถ้าไปเที่ยวก็ต้องไปประกาศให้คนรู้ว่าเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เนะี่ยเป็นการโชว์เป็นการแสดงเป็นการอวดนอวดทั้งหลายเนี่ยนะมัน เป็นเพราะอิทธิพลของมานะแล้วถ้ามีคนอวดหรือว่าเกทัพนะโกโรธไม่พอใจเพราะเราด้อยกว่าเขานะปมด้อยปมเด่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของมารณทั้งสิน้นมาณนณ์มันทำให้คนปรารถนาหรือหยหาการยอมรับและความรักรวมทั้งความสนใจถ้าไม่ได้รับความสนใจเนี่ยนั่นก็จะห่อเหี่ยวมากจนกระทั่ง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 วิชาวความรู้ไม่ได้ก็ไปเป็นซัมบอดี้ในทางร้ายเป็นอันตพานนะหรือว่าก็ไปไปล่อลอกเอาตัวเข้าแลกเนะี่ยอย่างผู้หญิงหลายคนก็ต้องการเป็นซัมบอดี้อยากจะมีโทรศัพท์มือถืออยากจะมีกระเป๋าราคาแพงนะ อันนี้ก็เป็นการที่ทําให้ตัวเนี่ยรู้สึกว่าเป็นซัมบอดี้หรือว่าเป็นการเพิ่มภาพลักษณ์ น, นั่นยังก็ถ้าไม่มีเงินด้วยวิธีทางปกติก็ไปขายตัวบ้างไปเป็นเมียน้อยบ้างไปเป็นกิ๊กบ้างหรือไม่ก็ไปเป็นไปค้ายาบ้างเนี่ยท่นมาณนีนน้จึงเป็นกิเลสนะทีะ่ไม่ใช่ว่าจะควรส่งเสริม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 ไม่มีใครเมินนี่มันจะทุกข์มากเลยบางคนทุกข์จนกระทั่งอยากจะฆ่าตัวตายแล้วคนที่ฆ่าตัวตายจำนวนมากเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าล้มละลายไม่ใช่เพราะว่าบ้านถูกยึดมันไม่ใช่แค่นั้นมันรู้สึกเสียหน้ารู้สึกกับอายขายหน้าอย่างทำเนียมฆ่าตัวตายเพราะว่าเสียหน้าขายหน้าเนี่ย ในญี่ปุ่นเนี่ยเซ็ตปกหุฮาราคิรก็เป็นเรื่องของมันนะทำเพื่อทำโรงรักษาชื่อเสียงกิติยศเอาไว้นถ้าไม่ทำจะเสียหน้ามากอับอายหรือไม่ก็ถ้าเป็นสมัยนี้ก็โดดตึกตายนะเพราะรู้สึกว่าเป็นโนบอดดี้ไม่มีคุณค่าในสายตาของใครแล้วอยู่คนเดียวถ้าหากว่า ฆ่าตัวตายไม่ได้ไม่สําเร็จก็ไปฆ่าคนอื่นตายเพื่อจะได้ดังเนยอย่างคนที่ฆ่าจอร์แดนนอนเนี่ยหรือก็คนที่ฆ่าดาราดังๆหลายคนเนี่ยก็ทำาเพราะต้องการเป็นซัมบอดี้นะอยากจะให้คนรู้ว่ามีเขาอยู่ในโลกนี้อยากจะให้คนได้สนใจเหลียวแลเขาบ้างอย่างเชฟแมนซึ่งเป็นคนฆ่าจอร์แดนนอนเนี่ยเขาเป็นคนที่ล้มเหลวทุกอย่างเลย เรียนก็เรียนไม่ดีพ่อแม่ก็ไม่รักทํางานก็ไม่ประสบความสําเร็จในสังคมริการเนี่ยคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็จะไม่ได้รับความเหลียวแลมีแฟนก็แฟนก็ทิ้งนะรู้สึกล้มเหลวทุกอย่างเหมือนกับเป็นขยะของสังคมก็เลยฆ่าตัวตายขณะดฆ่าตัวตายยังไม่สําเร็จเลยโอ้ ไม่สำเร็จในทุกอย่างแม่ก็ลังฆ่าตัวตายแย่มากเนยะก็เลยเหลือทางเดียวนะก็คือไปฆ่าคนไปฆ่าคนดังนะตัวเองได้ดังด้วยหนังสือพิมพ์ี้ได้มาถ่ายรูปนะคล้ยสัมพันธ์หลังจากนอะไรที่เขาฆ่าจอเลน์นนนนเนี่ยเขาเขาทำเพราะเขาต้องการเป็น somebody น ะ, นะเขาใช้คำนี้เลย s o m e อ o d y อันนี้คืออิทธิพลของมานะนะซึ่ง มันสามารถจะชักนำให้คนเนี่ยทำชั่วแต่ที่น่มันทำให้คนเรามีความทุกข์มากเพราะฉะนั้นมันน่าคือสิ่งที่ต้องต้องละนะต้องอลดหรือว่ากระจัดออกไปนะซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะเพราะว่าจาเพาะพระอรหั น, นต์นะถึงจะละได้มันมีกิเลส อ, อยู่สามอย่างนะที่เราคุ้นเคยคือโลภโกรธหลงหรือว่า กิเลสชุดหนึ่งเขาเรียกว่าตันหาทิฏฐิมานะทิฏฐิเนี่ย น, นะคือความเห็นนะว่ากายใจเป็นเป็นเรานะอันนี้ลดได้แต่เป็นพระโสดาบันลขะขจัดได้แตเป็นพระโสดาบันส่วนตันหานีนะ่ก็คือความอยากไม่ว่าความอยากในกามหรือว่าความอยากในรูปในอรูปนี่จะละได้ก็ต้องเป็นพระนาคามี มาหน้านี้ต้องผ่ารหันเท่านั้นนะถึงจะละได้เอาเพวกเราคงคุ้นนะได้ยินครับคุ้นกับคำ ว, ว่าตัวกูของกูเนี่ยไอ้ของกูเนี่ยก็คือความการยึดสิ่งต่างต่างาเป็นของกูอันนี้คือตันหาอยากนะอยากจะยึดอยากจะได้เงินมาเป็นของกูอยากจะได้เพชรอยากจะได้บ้านเป็นของกูอันนี้คือตันหานะส่วนความคิดว่า นั่นนี่เป็นกูนะเป็นตัวกูนะอันนี้เรียกว่าทิฏฐินะถ้ามีความคิดความเห็นว่ า, ากายใจเป็นกูเนี่ยอันนี้เรียกว่าก็จอดจงเป็นสักยติทิฏฐิตัวกูของกูเนี่ยนะมันเป็นเหตุแห่งทุกข์แต่ที่จริงถ้าจะให้ครบสามเนี่ยมันต้องมีอีกตัวหนึ่งนะนะท่านสมเด็จพระตุคตศาสร์าจารย์ท่านใช้คำว่านี่กูนะตัวกู ของกูแล้วก็นิคุณะตัวกู ก, ก็ทิฏฐินะของกูก็ตันหานิกุณะก็คือมารณะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวตัวกูของกูแล้วนิุะเนี้ยนะนะเป็นกิเลสที่เราต้องระมัดระวังเพราะมันจะคอยชักใยวงการให้เรานะทำโน่นทำนี่ในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าในสิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับเรา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 อีโก้ในภาษาฝรั่งเนี่ยเรียกว่าตัวตนนะแต่ว่าถ้าจะคุ้นนะคุ้นหูเราก็ตัวกูของกูเนี่ยจริงๆเนี่ยนะออไอ้ตัวกูของกูเนี่ยนะมันไม่มีจริงหรอกนะเราพูดไปอย่างนั้นนะว่ามีตัวกูของกูเยอะนะแต่ที่จริงมันไม่มีไอ้ตัวกูของกูมันเป็นแค่ ส, สิ่งสมมุติ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 าแขนขามือเท้าท้องหน้าอกไอ้ทั้งหมดเนี่ยรวมๆกันแล้วเราจึงสมมุติเรียกสิ่งนั้นว่าตัวเราหรือร่างกายของเรานะมาเป็นสมมุติงนะั้นจริ ง, รงๆแล้วเนี่ยนะถ้าพูดย่อยๆตัวกูของกูมันไม่มีจริงนะมันเป็นแค่สิ่งสมมุตนะิที่เราอุปโลกขึ้นมาว่าเนี่ยตัวกูเนี่ยของกูและธรรมชาติของ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 เดินสักสองวันได้นะเขาก็รู้สึกแล้วว่าไอเนี่ยเป็นทางเดินจงกรมของเธอมาวันหนึ่งเนี่ยวันที่สาม ม, มีคนมาใช้ทางเดินนั้นเธอไม่พอใจเลยนึกในใจว่านี่มันทางจงกรมของกูนะก็โกรธไม่พอใจแต่เธอก็ได้สติมาเฉลียวใจมันเป็นทางจงกรมของกู้แต่เมื่อไหร่วัเนี้ยนะ เธอแค่มาอสศที่ตรงนั้นเนี่ยนะใช้เดินแต่พอเดินไปสักพักนี่อ้าวของกูละในกรอย่างเธอสองวันนะแต่บางทีเนี่ยนะไม่กี่นาทีนะอย่างเช่นเราไปจองที่นั่งในห้องประชุมก็ดีนะหรือว่าในลานกว้างก็ดีเราไปยึดเอานะว่าตรงนั้นเป็นที่ของเราเป็นเก้าอี้ของเรา ทันทีที่นั่งแค่ไม่กี่นาทีเรารู้ได้ไงรู้ก็ตอนที่พอเราลุกออกไปแล้วมีคนมานั่งแทนเนี่ยมันจะไม่พอใจเล ย, เยมันที่นั่งของกูนะเนี่ยมามานั่งได้ยังไงนะเป็นของกูเต่เมื่อไหร่นะที่นั่งนั่นเราก็ไม่ได้ซื้อนะแต่มันยึดแล้วว่าเป็นของกอูจิตของเราเนี่ยนะมันมันยึดง่ายมากนะว่าเป็นของกูของกู หรือว่าเป็นตัวกูเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เ็ามีการทดลองนะซึ่งน่าสนใจมากนันอยู่ใน YouTube เป็นการทดลองที่เขาใช้เาเรียกว่ามือยางนะรับเบอร์แฮน้าให้ผู้อาสาสมัครเนี่ยนะเอามือนะเอามือขวาและมือซ้ายเนี่ยวางไว้บนโต๊ะ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 มาลูบหรือคลาบางทีก็ใช้สิ่งที่มันอ่อนๆหน่ อ, อนยนะมาลูบคลำเนี่ยทั้งที่เป็นมือซ้ายจริงๆแล้วก็มื อ, อยางโดยให้สอดคล้องกันเช่นถ้าเป็นลูบตรงตร ง, ตรงนิ้วกลางนะก็นิ้วกลางทั้งของมือซ้ายแล้วก็มื อ, อยางนะถ้าลูบตรงฝ่ามือหรือหลังมือเนี่ย ก็ให้ตรงกันนะระหว่างทั้งของมือซ้ายแล้วก็มื อ, อยางสักพักเนี่ยอาสาสมัครจะรู้สึกเลยนะว่าไอ้มื อ, อยางเนี่ยเป็นมือของเขาเป็นตัวกูเป็นของกูรู้ได้ยังไงนะเขารู้ได้เพราะว่าเวลาเขาจะเอาคู่ดทดลองเนี่ยจะเอาเอาด เ, เอาเข็มเนี่ยจิ้มเนี่ยพอเอาเข็มไปจิ้มหรือทํำท่าจะจิ้มที่มื อ, อยางนะคน อาสาสมัครจะร้องเลยว่าอย่าทําอย่าทําแล้วพอเอาเข็มเนี่จิ้มนะเขจะร้องเลยว่าเจ็บแล้วยิ่งเอาเอาคอนเนี่ยมาทุบนะทุบตรงมื อ, อยางนี่อาสาสมัครจะร้องเลยโอ้ยแล้วสักพักก็จะรู้วเฮ้ยนี่มันไม่ใช่มือเราเนี่ยนมันมื อ, อยางแต่ทุกคนเนี่ยจะมีปฏิกิริยาเดียวกันนะเวลาผู้ทดลองเนี่ยจะทําร้ายมือมื อ, อยางนั้นเขาจะรู้สึกว่าเนี่ยอย่าทําอย่าทํา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 แล้วยิ่งนะความรู้สึกมันจะชัดเจนมากหรือว่าจะทึกทักอย่างจริงจังมากเพราะว่าเวลาผู้ทดลองเนี่ยเ้าลูบเขาลูบมื อ, อยางแล้วเรารู้สึกได้ว่ามือมันถูกลูบแต่ที่จริงเนี่ยไอความรู้สึกว่ามือถูกลูบเนี่ยมันไม่ใช่เพราะมื อ, อยางถูกลูบนะแต่เพราะมือซ้ายขามันถูกลูบแต่สมองคนเราเนี่ยมันก็จะโยงเอาความรู้สึกที่มือมือซ้ายเนี่ย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 เอามาวางไว้ข้างหน้าตอนที่วางก็เห็นน้ว่ามันคือมือยางแต่ภายในเวลาไม่ถึงนาทีมันก็ไปสําคัญมั่นหมายแล้วว่าไอ้มือยางเนี่ยคือของกูหรือเป็นส่วนหนึ่งของตัวกูไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คําว่าตัวกูของกูเนี่ยที่บอกว่ามันเป็นสมมุติเนี่ยนะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจเพราะคิดว่ามันเป็นจริงมันมีจริงนะแต่ที่จริงแล้วมันไม่มีจริงหรอกแต่ว่าจิตของเราไปสร้างไปปรุงขึ้นมา แล้วก็ไปทึกทักว่าเป็นจิกเป็นจังยิ่งเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตก็ไปคิดแบบนี้ตลอดเนี่ยมันก็เลยฝังใจ น, นับภาษาเลยอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่ทึกทักนะสะสมความรู้สึกนี้มาเป็นเวลาหลายปีแค่ไม่กี่นาทีนะไอ้มือยางเนี่ยทั้งทั้งที่รู้ว่ามันเป็นมือที่เอามาวางไว้ข้างหน้าก็ยังเผลอคิดว่าเป็นเป็นกูนะ เป็นของกูได้ให้การปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อลดเพื่อละตัวกูของกูนะแต่มันเพื่อให้เห็นความจริงว่าตัวกูของกูไม่มีจริงมันไม่ใช่เพื่อล่าตัวกูของกูนะหรือพูดอย่างคือละความยึดความสาคัญมั่นหมายว่านั่นนี่เป็นตัวกูของกูจะละได้อย่างไรจะละได้ก็เพราะเห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวกูของกูเลย ซึ่งอันนี้เนี่ยนะต้องอาศัยปัญญาที่แจ่มแจ้งที่มันล้วงนะมันล้วงเอาไอ้จิตไร้สำนึกหรือความหลงอวิชชาเนี่ยออกไปจนหมดสิน้นแต่ถึงแม้ว่าอาวิชชามันยังไม่หมดนะนะอย่างกุฎุชนอย่างพวกเราเนี่ยไอ้การที่จะลดนะละหรือว่าคลายความสำคัญหมายในตัวกูนี่นะก็ยังทำได้นะ การเจริญสติเนี่ยมันเป็นวิธีหนึ่งนะวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้ตัวกูเนี่ยหมดไปหรือว่าไม่มีตัวกลัขึ้นมาสติเนี่ยมันถ้าเราฝึกนะให้รู้จักเห็นโดยไม่เข้าไปเป็นนะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าสตินันมันคือตาในตาที่เราใช้มองข้างนอกเรือาตาเนื้อส่วนสติเป็นตาในที่ทำให้เราเนี่ยเห็นอารมณ์ความคิดต่าง เวลามีความโกรธเนี่ยเห็นความโกรธเนี่ยตอนนั้นมันไม่มีผู้โกรธนะนะเวลามีความหงุดหงิดเห็นความหงุดหงิดเนี่ยมันจะไม่มีผู้หงุดหงิดนะในภาวะนั้นเนี่ยตัวกูมันมันดับไปแล้วหรือความยิดว่าตัวกูเนี่ยมันไม่มีมันเป็นภาวะที่ไร้ตัวกูนะทุกครั้งหรือทุกขณะที่เรามีสติเวลาเดินเะนี่ยมันไม่ใช่กูเดินนะแต่มันเป็นรูปที่เดินนะ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 แต่ถ้าไปยึดว่ากูสุขน ะ, ะตัวกูมาแล้วแล้วเดี๋ยวเตรียมทุกข์ได้เลยพอพอไอความสุขหายนะมันก็จะทุกข์ขึ้นมาแล้วแม้แต่เวลาสุขนะก็เห็นความสุขแต่ไม่เป็นผู้สุขมีความดีใจก็เห็นความดีใจไม่เป็นผู้ดีใจในภาวะนั้นเนี่ยไอตัวกูเนี่ยมันไม่มีดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกโป่งโล่ ง, โงเบาสบายในขณะที่เรายังเป็นปุถุชนเนี่ยนะ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 ไม่ใช่สตทิที่จะเอามาใช้ดูกายดูใจหรือว่ารู้เท่าทันนะอารมณ์ความนึกคิดต่างๆได้แต่เมื่อก็ตามที่เราได้พัฒนาสัมมาสติขึ้นมามันจะเห็นความจริงความจริงที่ถูกปิดบังมานานว่ามันไม่มีตัวกูนะมันมีความคิดมันมีความโกรธมันมีความฟุ้งนะ แต่ไม่มีกูผู้คิดไม่มีกูผู้โกรธไม่มีกูผู้ฟุ้งนะมันมีความปวดนะแต่ไม่มีกูผู้ปวดนั่นเป็นภาวะที่วิเศษมากนะที่ถ้าเราเห็นภาวะนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันจะเห็นความจริงที่ลึกซึ้งหรือว่าเกิดการยอมรับที่เราเรียกว่าปัญญาว่ามันไม่มีตัวกูของกูตั้งแต่แรก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 ให้ภาวะเช่นนี้แหละนะคือภาวะที่มันเป็นสุขอย่างแท้จริงตราบใดที่ยังมีตัวกูนะมันก็ยังมีผู้ทุกอยู่ยังมีผู้ทุกอยู่แม้ว่าจะพยายามจะกระจัดความทุกอย่างไรนะแต่สุดท้ายก็ยังมีผู้ทุกพยามกระจัดกิเลสอย่างไรสุดท้ายก็ยังมีผู้ผู้มีกิเลสอย่างที่สิทธิผู้พี่นะของท่านเวไหลังเนี่ยเคยเขียน ในสโลกนะเขียนเป็นสโลกว่าเนี่ยกายนี่เหมือนต้นโพจิตเหมือนกระจกใสต้องหมันเช็ดถูเพื่อไม่ให้ฝุ่นมาเกาะแต่ท่านไว้หลังนี่ไปไกล ก, นนกว่านั้นท่านบอกว่าเนี่ยต้นโพก็ไม่มีกระจกใสก็ไม่มนะีเมื่อทุกอย่างว่างเปล่าแล้วฝุ่นจะจับกับอะไรนะฝุ่นในที่นี้จะหมายถึงความทุกข์ก็ได้จะหมายถึงกิเลส ก, ก็ได้นะเมื่อไม่ไม่มีกระจกแล้วนี่มันจะจับกับอะไรนะ แต่ใดที่มีกระจกนะมันก็ยังมีฝุ่นมาจับมาเกาะซึ่งก็ต้องถูต้องเช็ดก็คือว่าต้องกจัดความชั่วออกไปกำจัดกิเลสออกไปกจัดความทุออกไปเพราะมันยังมีนะผู้ทุกข์อยู่มันยังมีตัวกูอยู่นะแต่พอไม่มีความสำคัญมกหมายในตัวกูแล้วมันก็มีแต่ฝุ่นนะแต่มันไม่รู้จะไปจับกับอะไรก็คือไม่มีผู้ทุกข์แล้วไม่มีผู้มีกิเลสแล้ว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 มันจะมีอะไรนะที่จะเป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจได้เอาละช้อนี้พุทธท่านนี้นะครับพระ